ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب ناسعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเจริญจาก a l l a ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาท็อปซิในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ผมม า, มาปฏิบัติหน้าที่แทนจาริยัสนะครับเพราะว่าเป็นตาแดงนะก็เลยมาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่สองเนื้อหาในวันนี้นะครับอยู่ในสารพูดนะ วันนี้ห้าอายะนะครับอายะที่ยี่สิถึงอายะที่ยี่สิคนที่ได้เอกสารก็ดูตามได้นะครับคนที่ไม่มีเอกสารก็ฟังได้นะครับวันนี้ห้าอายะในสุรฮุดยี่สิบยี่สิบเอ็ยี่สอามยีห้าอะความหมายคร่าวๆของห้าอายะในวันนี้กล่าวเกี่ยวกับ บรรดาผู้ที่ขาดทุนอธิบายว่าสาเหตุทำไมถึงขาดทุนนะครับขาดทุนในที่นี้ไม่ใช่ค้าขายนะแต่ว่าขาดทุนไม่ได้รับประโยชน์จากทางนำปัจจัยว่าทำไมทำให้ขาดทุนอยู่เฉยๆมันไม่ขาดทุนทำไมถึงขาดทุนแล้วก็ผลจากการที่ขาดทุนไม่สามารถที่จะเข้าถึงทางนำ ส่งผลอะไรต่อเขาบ้างในอายะห์ที่20นะครับอัลลอฮตรัสไว้ว่าอุลอกาลำยาคนูมอีนฟินอับดีอ um ัลลอบอกว่าคนเหล่านี้นั้นทำไมเอย่ยไม่รอดพ้นการลงโทษของอลอตในแผ่นดินนี้พูดถึงบรรดาผู้ ที่ต่อต้านท่านนาบีเวลาต่อโต้จริงๆนพี่น้องพูดกับชาวมักกะนะแต่ว่าในสถานการณ์สถานการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชาวมักกะอย่างเดียวเราสามารถย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์มีคนอีกหลายกลุ่มซึ่งมีพฤติกรรมเดียวกันมีนบีส่งมาแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ฝ่าฝืน เวลาข้อ่านเล่าถึงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับข้อ mm hmm. อ่านจะยกย้อนไปย้อนมาพูดถึงชาวมักกะ mm hmm. บางทีก็ยกถึงกลุ่มชนก่อนหน้านี้ mm hmm. ให้เห็นว่าเขามีลักษณะเดียวกัน mm hmm. มีปัจจัยเดียวกันแล้วก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกันอัลลอฮฺบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นทําไมเอย่ย จะไม่รอดพ้นนะครับวงเล็บการลงโทษของลอฟฟินอารอดีในแผ่นดินนี้ต้องกลับไปมองในบริบทของสังคมก่อนในสมัยนั้นทำไมขรอ่านถึงบอกแบบนี้ตอนที่ท่านนาบียรเผยแผ่ศาสนานะครับท่านนาบีมอฮัมมัดเนี่ยสุลตาลอว์อะลัยวะซันลำได้รับการต่อต้านจากชาวมักกะ ในระยะสิบสาปีที่อยู่ที่มักกะฮ์พี่น้องมุสลิมจํานวนก็น้อยกําลังพลังในการที่จะขับเคลื่อนก็ถือว่าอ่อนแอกว่าพวกมักกะฮ์พวกมักกะฮ์ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะแพ้ให้กับอิสลามสภาพการในตอนนั้นวิเคราะห์ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะแพ้ให้กับความเชื่อใหม่ที่มูฮัมหมัดนํามา พ่อว่าพิจารณาดูแล้วสาวกของมุฮัมมัดแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจนนะแล้วก็อ่อนเอแล้วก็เป็นทาสดูแต่ละคนแต่ละคนแล้วไม่น่ า, จ, าจะมีเ้าเรียกว่าก่อความเคลื่อนไหวอะไรได้ไอคนที่เป็นทาสทนายทราบก็ลากไปไปทรมานไปบังคับคนที่เข้มแข็งเข้มขังในสมัยนั้นนี้ไม่กี่คนนบีมุฮัมมัดเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไร ติดที่ว่าลุงคอยปกป้องผัวมัก้าว่าเราจะทําอะไรท่านนาบีมุฮัมมัดเก่งใจลุงท่านนาบีแต่ตัวนบีมุฮัมมัดเพราะว่ากํำพลาหมดแล้วพ่อแม่ปู่เสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ลุงที่คอยปกป้องท่านนาบีการที่ฟาฝืนมูฮัมมัดไม่เชื่อมูฮัมมัดพัวมัก้าคิดว่ายังไงกันแล้วแต่ไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบ อะไรต่อเขาได้แต่อายะคุอ่านตรงนี้บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่รอดพน้นจากการลงโทษเพอาะเาล้ออันนี้ไม่ได้พูดถึงวันอาคิรอดนะฟินอาร์ดพูดถึงในแผ่นดินนี้ในดุนยานี้คนที่คิดแบบนี้พี่น้องในสมัยก่อนมีเหมือนกันเช่นกลุ่มชนนาบีนบีฮูดในซุลราพูดเนี่ยก็คือพวกอาร์ด พิจารณาแล้วน บ, บีพูดนำสารมาเผยแพร่แล้วก็พวกเขาปฏิเสธปฏิเสธแล้วยังไงและใครจะทำอะไรเขาได้เพราะว่าถ้าพิจารณาจากความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วโบอาจอันดับหนึ่งพี่น้องหลังจากน บ, บีนุ่น้ำท่วมโลกเนี่ยคนกระจัดกระจายไปทั่วหน้าแผ่นดินนี่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ไปแต่งงานมีลูกมีหลานก่อสร้างสร้างเมืองนขึ้นนะ แต่ว่ากลุ่มชนแรกที่พัฒนาตัวเองถึงขั้นมีอรารยธรรมของตัวเองเนี่ยคือกลุ่มชนอาร์ตกลุ่มชนอื่นกันอยู่กันใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่แต่กลุ่มชนอาร์ตพัฒนารวมตัวกันจนกระทั่งเป็นสังคมซึ่งมีความเข้มแข็งประชาชาติอื่นจะทำไม่ได้กลุ่มชนอาร์ตทำได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ร่างกายก็เข้มแข็งที่อยู่อาศัยก็เข้มแข็ง อยู่ในภูเขาภูเขานี่มันแข็งนะแล้วอาตแคแข็ ง, ขงกว่าภูเขาอีกขุดภูเขาอยู่แล้วก็ไปอยู่ในภูเขามีทั้งเขาเรียกว่าที่ป้องกันที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มาใฉยคนคนเดียวเป็นเมืองทั้งเมืองเลยการที่ฝ่าฝืนต่อนบีฮูด่ฟาฝืนแล้วจะทําไมต่อให้นบีฮูดพูดจริงพระเจ้าของฮูดก็ทําอะไรวกเขาไม่ได้จะทํำยังไงมีแต่เขา จะทำอะไรเขาได้แล้ตัวตัวเองอะเข้มแข็งด้วยคิดแบบนี้ชิงกล้าฟาเฟือแต่ว่าพวกเขาลืมไปว่าภูเขาที่วูเขาอยู่เนี่ยฟินอัลดีอยู่ในแผ่นดินและแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินของ a l l a คนคิดแบบนี้เยอะมากพี่น้องพวกอาศิ์คิดว่าภูเขาที่อยู่ในเข้มแข็งและจะปกป้องตัวเองได้แต่ลืมไปว่าภูเขาที่อยู่เนี่ยอยู่ในแผ่นดินของ a l เวลาอะลาดจะเอานาบีนองไม่เหลือหลายคนคิดแบบนี้ลูกท่านนาบีนัวอะเลฮิสซาลามคือการอ่านตอนที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยท่วมแล้วจะจมไม่จมแลเนี่ยนบีนัวเรียกขึ้นเรือซะวันนี้ไม่พ้นแล้วใครก็ไม่พ้นเรือลำนี้เต่า น, นั้นที่ทําำอะลอดพ้นได้ไม่เอาจะว่ายไปทิ่ภเขาลูกนั้นนี่มันสูงๆคิดว่าภูเขาจะปกป้องเขาได้ แต่ลืมไปว่าไอที่เขาหวังพึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์หมดเลยเอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของสุดท้ายอาลัลลอฮ์ให้คลืนมาแล้วก็พัดจมน้ําตายไปผู้อาดก็คิดแบบนี้ผู้สมูทก็คิดแบบนี้หลังจากผู้อาดสูญพันธ์ไปแล้วผู้สมูทก็ปกคลุมหน้าแผ่นดินลักษณะคล้ายๆกันมีความแข้มแข็งมีนู่นมีนี่แล้วก็คิดว่าสิ่งทีเขามีจะปกป้องเขาได้ แผ่นดินนี้ใครจะทําอะไรก็ได้แต่ก็ลืมไปว่าแผ่นดินที่เขาพูดอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินของหรมันจะมาไปเพท่านเดียวกันหมดเลยพี่น้องมาดูที่ฟิลาเอในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์ผู้ปกครองที่เข้มแข็งในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเกินฟิลาเอวว่าาพูดถึงฟิลาเอวเน่ยพูดแค่อียิปต์แต่ว่าอํานาจของฟิลาเอวเนี่ยมันออกค้นอียิปต์ไปแล้วข้ามทวีปนู้นข้ามไปทวีปนี้ มองและบนหน้าแผ่นดินที่ซับซับกันเนี่ยไม่มีใครสู้ฟิราอ์ได้มีทั้งกองทัพมีทั้งทหารมีเต็มไปหมดแล้วก็คิดตัวสิ่งเหล่านี้จะปกป้องเขาได้ในแผ่นดินนี้ใครจะทำอะไรฉันได้แต่ก็ลืมไปเหมือนกันว่าแผ่นดินนี้ที่พูดเนี่ยเป็นอับดุลละเป็นแผ่นดินของลราผัวมากกะเช่นเดียวกันเวดาดูแลมูห ม, มัดกับพวกจะทาอะไรได้ หันไปมองกันหลังมีทั้งพวกพ้องมีทั้งญาติมีทั้งกําลังมีทั้งทรัพย์สินใครจะทําอะไรได้แต่ลืมไปว่าทําไมเอ่ยลืมไปว่าแผ่นดินที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินของเลาพี่น้องเราใจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ เ, เลาให้ดินยุบไปเนี่ยตายกันหมดนะพวกอาทยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเวลามองว่าตัวเองมีความเข้มแข็งถ้าเราถ้าเรียกว่าจินตนาการทางประวัติศาสตร์ลอง คิดว่าถ้าเราเป็นพวกอาร์ตเนี่ยแล้วก็มีสิ่งของต่างๆเหล่านั้นมีทั้งภูเขามีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งกําลังคนเราคิดว่าปลอดภัยแต่ว่าวัาอัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยนะครับในโซลฟุสิลัดอายาที่สิบสองอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าฟาอัลซันนอะไลฮิมเรฮันซออสฮอร์ส่งลมมาลมที่หนาวเย็นฟีอายามินนะฮิซาดลมหนาวที่มาเนีพี่น้องมันแทรกเข้าไปหมดเลยภูเขาที่ว่ากั้นกันได้เนี่ย เวลามีทางลมลมขลอล่อแทกเข้าไปแล้วก็เป็นลมที่หนาวเย็ยนอเลาะบอกว่าในอายะติสุขะฮะก็อายะที่ิบเอซักกะฮ า, าลมหนาวที่ส่งมาเนี่ยทำไมเอ่ยอะไรหิมอเลาะให้มันพัดผ่านพวกเขาซบะอะลายาลินเจ็ดคืนหัวสมานีตะออยามินแปดวันค <c oughs> ูซซมา ลมหนาวที่พัดผ่านพวกเขาเนี่ยหนาวเยือกนะครับและก็ดําเนินอยู่แบบนั้นทําไมเอ่ยเจ็ดคืนแปดวันจนกระทั่งว่าพวกเขาเสียชีวิตทั้งหมดสุดท้ายเวลาอยู่ในแผ่นดินขอรอเนบีโน้องไม่พ้นอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะเอาเิีเราเอาเหมือนกันจมน้ําตายก็อยู่บนแผ่นดินขอรอเวลาอัลลอฮ์จะเอากองทัพที่เยอะเนะพีนองคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะเหมือนจะเยอะอยังเนี่ย ก็กทอเนี่ยจุคนได้ประมาณแต่จาไม่มีประมาณหกหม0่นคนพี่น้องเราเอาคนหกเมืองคืนมายืนเ ย, ยอะไปหมดใครจะทําอะไรชั้นได้ซ้เรานี่เป็นแสนถ้าเรายืนอยู่คนในจนนํานวนคนแสนแสนเนี่ยแล้วก็เป็นพวกเดียวกันหมดเนี่ยไม่กลัวเพราะคนมันเยอะแต่ว่าคนเป็นสแสนแสนพี่น้องเวลาไปอยู่ในทะเลขอลองล้อนะนิดเดียวพี่น้องคนคนกี่ล้านคนอาจจะไปยืนเต็มทะเลได้ ก่อนทัฟีรเอาเนี่ยเยอะเวลาอยู่บนแผ่นดินเนี่ยใครก็สู้ไม่ได้แต่เวลาไปอยู่ในทะเลของร้อนไอพี่น้องนิดเดียวอลัลลอฮ์ให้ทะเลประกบกันจมน้ําตายหมดฉะนั้นอย่าคิดว่าก็อ่านทุ่บอกว่าอย่าคิดว่าภูเขานั้นจะรอดพ้นจากแผ่นดินนี้นี่อาคิร้อยยังไม่คุยกันนะคุยกันเฉพาะโลกดุนยาอาลัลลอฮ์ยังตร์ต่อไปว่าฮวามากาเนลฮุมมินดูนินไลมินเอาลีย พวกเขาเหล่านั้นไม่มีผู้ช่วยใดๆนอกจากอัลลอฮ์คือถ้าไม่เอาอัลลอฮ์แล้วไม่เอาอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วที่เหลือเนี่ยช่วยไม่ได้เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะพวกอาบูซาลูม ท, ที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยนะเซร์เอาที่ว่าเจ๋งๆโดนไปหมดแล้วพวกมักกาเอาละยะของตัวเองเนี่ยพอไปดูแล้วมีแต่รูปปั้นทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้องอ่อนแอพวกอาบูซามูมอีก นั่นว่าเจ๋งๆง่ายไปเลยแล้วพวกมักกะมีคนกับจริงแต่มีคนน้อยกว่าทีรเอาพี่น้องมีความเข้มแข็งกับจริงแต่ร่างกายเข้มแข็งน้อยกว่าพวกสมุทรมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกับจริงแต่สู้บ้านที่อยู่ในภูเขาของพวกอาดไม่ได้แล้วไปดูตัวช่วยที่พึ่งทางใจเป็นรูปปั้นทําอะไรไม่ได้เลยรูปปั้นสมัยก่อนถูกเด็กคนหนึ่งพี่น้องชื่ออิบราฮิม ตอนหลังเป็นนบีบรหิมฤทธิสลามตอนนั้นยังไม่เป็นนบีถือขวานไปเล่มหนึ่งพี่น้องฟันเละรูปปั้นที่ไหว้กันเนี่ยเต็มวิหารไปหมดถูกเด็กคนหนึ่งพี่น้องถือขวานไปเล่มหนึ่งเข้าไปคืนเดียวพี่น้องฟันเละหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ยกให้เป็นพระเจ้าเหลือไว้ตัวนึงตัวใหญ่อย่างที่พี่น้องทราบดีฉะนั้นเอาลียที่พึ่งพิงผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยเอาเล่าบอกว่าช่วยอะไรเขาไม่ได้ อ้คร่าไม่คุยกนนะอันนี้คุยประเด็นดุลยาก่อนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยโดนลงโทษแน่แล้วก็ผู้ช่วยเหลือของพวกเขาในดุลยานี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะเอาช่วยเหลืออะไรไม่ได้เห็นชัดตอนไหนตอนที่มุสลิมทําการพิชิตมะ ก, กาในปีฮิจ ร, รัตที่8ในปีตายในฮิจ ร, รัตที่10บนาไม่ลืมนะแต่ว่าพิชิตมกกะกาในกรงสองปีฮิจ ร, รัตที่แปดตอนที่นบีพิชิตมะ ก, กามุสลิมก็ไปทีติฆาบ้านเนี่ยเว็ดเต็มไปหมดเลย ประวัมันตึกไว้สามรก็เยอะละ้กันอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าหลักหลายร้อยพอพวกมุสลิมเข้าไปแล้วเนี่ยเอาออกหมดเลยพระเจ้าดีกราบว่าเนี่ยที่ถือว่าเป็นพระเจ้าสุดท้ายเจอคนมุสลิมกวาดออกมาเนี่ยพี่น้องปกป้องตัวเองก็ไม่ได้แล้านำภาษาอะไรที่จะไปปกป้องคนอื่นฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่บวกเขายึดตัวเป็นอัลเลียเป็นผู้ที่ช่วยเหลือทางใจเป็นสิ่งพึ่งพิงเนี่ยพี่น้อง ทำอะไรไม่ได้เลยเห็นชัดจากประวัติศาสตร์นอกจากที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วอลัลลอฮตรัสต่อไปว่ายูดออฟูละหุม ah um ุดอาดบยูดออฟูแบบวะทวีคูนละหุมุนอาดาบการลงโทษเนี่ยจะทวีคูณมากขึ้นในทัปซิดอธิบายว่าสำนวนนี้หมายถึงการลงโทษในวันอาคิราที่พูดพูดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นดุญยา ในโลกนี้โดนดุนยาโดนรการลงโทษแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยเหลือในขนาดเดียวกันในโลกหน้ายูดออาฟูและฮุมุนอาดาการลงโทษที่จะประสบที่จะเจอเนี่ยมันเป็นทวีคูณจะกี่เท่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็อาจจะคำว่าอยูดออาฟูเป็นเป็นทวีคูณนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะประสบสรุปว่าดุนยากะโดน แล้วก็อาคิร่ า, รากระโดนถ้าเราต่อทางประวัติศาสตร์มีน้องครับพวกมักก้าตอนยินเบี อ, อพยโยบมาบันดีนาเนี่ยแล้วก็จะมีสงครามบาดัตเกิดขึ้นพวกมักก้าไม่คิดเลยว่าจะแพ้คิดไปคิดมาคิดยังไงก็ไม่แพ้ผมเล่าย้อนอีกหนึ่งจริงๆเคยเล่าให้ฟังแล้วสงครามบาดัตจริงๆเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่จะเอาคนสองคนแล้วก็มาสู้กันตั้งแต่ต้นนะ ฝ่ายมุสลิมได้ข่าวว่ากองคาราวานของพวกมักกะจะเดินทางกลับมาจากการค้าขายมุสลิมจะไปเอาทรัพย์สินจากกองคาราวานเพราะถือว่าตอนที่มุสลิมอพยพออ ก, ากมาเนี่ยทรัพย์สินที่มีอยู่ทุกพวกมักกะยึดไปหมดเลยวันนี้เลยจะเอาทรัพย์สินคืนจากกองคาราวานนี่ตนเหตุสงครามบระดับเป็นแบบนี้ฉะนั้นเวลามุสลิมส่งคนไปไปดัก ไม่อยากใช้คำว่าโกงเดยวจะเข้าใจผิดเอาของคืนจากกองคาราวานเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไปทำสงครามไปน้องนึกออกไหมกองคาราวานสามารเป็นพ่อค้ามีสินค้ามีผู้คุ้มกันแต่ว่าไม่เยอะมูซิมก็พาตัวเองเออกไปไม่ได้กะไปสู้แต่ว่าข่าวหลุดไปถึงมักกะมักกะได้ข่าวมูซิมพากําลังมาที่จะมายึดทรัพย์สินคืนก็เอากําลังมาด้วยแต่ว่ามักกะเตรียมตัวพร้อมกว่า นึกออกไหมุสซิมออกจากม า, าร์ดินาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปทำสงครามตั้งใจแค่จะไปยึดทรัพย์สินจากกองคารวานการเตรียมตัวมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่มกาาักกะซาบทีหลังเตรียมตัวพร้อมมากกว่าเพราะว่ากะไปทําสงครามฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยความพร้อมมักกะมีมากกว่าเราจะเห็นถึงสัด ส, ส่วนวันในสงครามบาดัตเนี่ยต่างกันประมาณหนึ่งต่อสาหนึ่งต่อสนี่คือคนนะม้าไม่นับนะ นสองข้างบาดัสมุสลิ a, มมีม้าแค่สตัวี่นองคนสามร้อว่าคนมีม้าสองตัวเป็นปีข้างมักก้ามมีม้าหลายตัวกี่ตัวจำไม่ได้แล้วอาวุธมันต้องคุยกันเตรียมมาพร้อมแล้วก็พานักดนตรีมาด้วยนักเต้นมาด้วยพาอาหารพาทรัพย์สินมาหมดเลยพรอกะว่ายังไงก็ชนะแล้วก็จะเลี้ยงฉลองไม่คิดว่าแพ้ยังไงก็ไม่แพ้สองข้ามบดัสแต่ว่าอัลลอฮ์ให้มุสลิมได้รับชัยชนะรายละเอียดเล่าไปแล้ว ฉะนั้นพวกมัก้าที่บอกว่าตัวเองแน่ๆเนี่ยเวลาอาลัลลอฮ์จะให้พ่ายแพ้ขึ้นมาสุดท้ายไม่พ้นความจริงที่ว่าพวกเขานั้นฟินอารกดีพวกเขาอยู่ในแผ่นดินนี้และแผ่นดินนี้ก็เป็นของอัลลอ์ถ้าอาลัลลอฮ์ต้องการนั่นคือในดุนยาในอาคิราะ์จะได้รับการลงโทษเป็นทวีคูณในท้ายอายะที่ยี่สิบนะครับอลัลลอฮ์ัสไว้ว่า m า g a n u yasta tio n a ั a m a ว่า m a g a n นูยุบริรูณ แปลว่าทำไมเอย่ยพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้มันเกี่ยวอะไรกันต้องแบ่งเนื้อหาเนื้อหาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงยูดออาฟุนละหุมุนอาดาบ พ, พูดถึงสิ่งที่เขาจะประสบได้รับการลงโทษทานายดุนยาแล้วก็ อ, อาคิร์และก็ไม่มีใครช่วยด้วยมินดูนินไลาอาลียะ ในท้ายของอายา20เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสาเหตุกรอ่านบอกว่าผลเป็นแบบนี้แล้วก็ตามอธิบายที่หลังว่าแล้วทำไมเขาถึงได้รับการลงโทษแบบนั้นสาเหตุก็คือมาการูยัส ต, ติอูนัซัมาอวะมาการูยุบสิรูนเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะฟังแล้วก็เห็นได้ไม่ได้แปลว่าตาบอดจริงๆไม่ได้แปลว่าหูหนวกจริงๆแต่ว่า ที่บอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยเพราะว่าทําไมเอย่ยไม่สนใจที่จะฟังคําสอนของท่านนาบีพู้มักกาไม่ฟังท่านนาบีถ้าคิดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยพว้มักกาทำไมถึงขาดทุนมากเพราะว่านาบีเนี่ยนบีเป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่คนที่อนืะ่นนะนบีเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นชาวมักกาเป็นชาวตูเรชอบูละฮับอบูญะฮันอบูซุบญานจะเป็นลุงนาบีหมดเลยนะ ที่ศัตรูนบีเนี่ยเป็นลุงนบีหมดเลยเป็นญาตินบีหมดเลยแล้วก็คนคนบ้านตัวเองเนี่ยทำการเผยแพร่ไม่ฟังใครมาฟังนูน่นคนจนอรนาฟมาดินะใครใครไปทําพัตเนี่ยมักกามาดิน า, ากันกิโลลืมไปแล้วสี่ร้อยามสิบปผมลืมไปแล้วคือหลายร้อยโลแหละแต่คนในมักกาเนไม่ฟังนบีคนพูดคนมักกาแต่คนมักกาไม่ฟังคนที่ฟังคนต่างหลายร้อยกิโล และก็เดินทางมาที่มักกะมาฟังท่านนาบีแล้วก็ศรัทธาเชิญท่านนาบี อ, อพยพมาที่นครมาดีนะฉะนั้นหูของชาวมักกะไม่ได้หูหนวกเปนก็น้องที่เขาอ่านใช้คําว่ามาการูยัสตติอูนัสซัมอาไม่สามารถที่จะได้ยินได้ไม่ได้แปลว่าหูหนวกหูยังดีอยู่แต่ว่าไม่ฟังท่านนาบีคนผู้จะอยู่ทถวบ้านนี่แหละอยู่ในเมืองอยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่ฟังท่านนาบี คนที่ฟังเป็นคนที่อื่นฉะนั้นฮิดายาทางนำนะพี่น้องบางทีเป็นเรื่องของทัศนกติแต่ก่อนเรามองว่าการดาวาไปไม่ถึงเราต้องไปให้ถึงจริงๆแล้วถูกส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกทั้งหมดสมัยนี้การดาวาอิสลามไปถึงหมดแล้วพี่น้องที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่นังการดาวาไปถึง แต่ว่าสิ่งที่กั้นเขาอยู่เนี่ยไม่ใช่ภูขเขาไม่ใช่ภูมิประเทศแต่เป็นทัศนคติที่อยู่ในใจจะพูดก็พูดไปไม่ฟังใครจะทําไมจะพูดก็พูดไปฟังแต่ไม่เชื่อใครจะทําไมสิ่งที่กั้นชาวมกาักกะนาไม่ใช่ภูมิประเทศความห่างไกลการเดาว่าไปไม่ถึงไม่ใช่เลยเป็นอคติหรือว่าทัศนคติที่เป็นลบ กั้นพวกเขาจากคําพูดของท่านนาบีลักษณะแบบนี้นบีน้องไม่ได้พบเฉพาะชามากก้าอย่างเดียวพบในกลุ่มชนก่อนหน้านี้กลุ่มชนไหนบ้างในก็อ่านเล่าให้ฟังว่าไอที่พูดแล้วไม่ฟังนะ่ะมีในกลุ่มชนท่านนาบีนวัวนะครับในซุรอกนั ว, นวาอายะที่เจ็ดก็อ่านเล่าแบบนี้นบีนวัวบอกว่าว่อินนีกุลละมาดเอาตุหุมนบีนวัวบอกนะ ทุกๆครั้งที่ฉันเนี่ยทำการด่าว่าพวกเขาเชิญชวนพวกเขาสอนพวกเขาลิทักฟี้ล่าหุ้มที่สอนเนี่ยในะบีนูนไม่ได้ไนะม่ได้ค่าจ้างนะไม่ได้เงินนะแต่ว่าเพื่อที่จะให้พวกเขาได้รับการอ ภ, ยภยัยโทษที่ฉันสอนพวกเขาเนี่ยเป้าหมายคือให้พวกเขาได้รับการยาพอภัยโทษแล้วพวกเขาทํำยังไงครับยาลูนาอซอบิอาหุมเอานิ้วเนี่ยพี่น้องฟีอาดานนหิน พูดก็ไปในหูก็คือนบีนัวพูดแต่ไม่อยากฟังจะเป็นอุดหูจริงๆหรือว่าใช้ในการเปรียบเทียบกันแล้วแต่ก็คือพูดก็พูดไปแต่ไม่ฟังฉะนั้นประเด็นไม่ได้แปลว่าการด่าว่าของนบีนัวไปไม่ถึงพวกเขาเพราะวาวาความห่างไกลกันไม่มีผู้เผยแผ่ไม่ใช่นะนบีนัวเนี่ยมาจากกลุ่มชนของพวกเขาแล้วก็สอนพวกเขาแล้วก็พูดเนี่ย ไม่ได้ห่างไกลแต่สิ่งที่ปิดกั้นคือตัวของพวกเขาเองเท่า น, นั้นไม่พอครับวัสตักเชานาสียาบะฮุมวัสตักเชลสียาบะฮุมแล้วก็เอาผ้านมาคุมหูก็อุดด้วยแล้วก็ผ้ามาคุมก็คือพูดยังไงก็พูดไปยังไงก็จะไม่ฟังฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยคิดตรงนี้นะครับเสริมให้ก็คือว่าเวลาที่ดวาวไอส์ตามเราชอบพูดกันว่าพื้นที่ห่างไกลการดวาวไปไม่ถึง เขาอาจจะไม่ได้รับสารของอิสลามเราก็เลยไปพูดให้ฟังบางทีต้องดูด้วยสิ่งที่กัน้นพวกเขาไม่ใช่เขาไม่เคยได้ยินนะใครบ้างรู้จักอิสลามพี่น้องสมาธิรู้จักหมดแลว้วไปดูในแผนทิตยเนี่ยพี่น้องเถียงกันเรื่องอิสลามเนะี่ยเถียงกันว่าบางชมบ้างไปถึงหมดแลว้วแต่สิ่งที่ปิดเขาอยู่คือทัศนคติต้องเข้าใจตรงนี้บางคนยื่ว่าพูดแล้วเขาไม่ฟังเพราะเขาไม่เคยได้ยิน ไปพูดไปพูดไปตือ้อไปพูดสุดท้ายเขาก็ไม่ฟังบางทีก็ทะเลาะ ก, กันด้วยขัดแย้งกันถ้าใจเขาไม่เอายังไงเขาก็ไม่เอานี่คือประเด็นหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงส่วนวิธีการก็คิดกันต่อไปจะทํายังไงให้เขาเปิดใจท่าทีในการเผยแพทย์ยังไงไมีคุกคามเขาไม่บังคับเขาความนุ่มนวลแล้วก็ฮิกมั่วระวังว่าตรงนี้จะทําให้ทางนําไปสู่พวกเขาได้ ส่วนจะเปิดใจไม่เปิดใจเป็นการางานขอนเรานะครับฉะนั้นประเด็นที่บุกมะกาต่อต้านนาบีหนึ่งมายสมาการูยัสติอูนัสมอ่ะไม่ฟังไม่ได้แปลว่าหูหนวงนะแต่ไม่ฟังวุมาการูยุบสิรูนไม่ฟังไม่พอแล้วก็ไม่มองด้วย ในทัศนีบอกว่าคำว่าฟังมาถึงฟังคำสองของท่านนาบีฟังก็อ่านนะครับแล้วก็ที่ว่าไม่มองเนี่ยไม่มองพิจารณาถึงสัญญาณการสร้างของหล่อเต็มไปหมดเลยพวกมักง้ามหาท่านนาบีและก็ตั้งโจทว่ามุฮัมมัดที่เคยบอกว่าคนตายไปแล้วกลายเป็นฝุ่นเป็นดินไปแล้วแล้วก็อยู่ดีๆจะบางฟืนคืนชีพใหม่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยัยงไง มันจะเป็นไปได้ยังไงตายไปแล้วเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยไปแล้วแล้วจะกลายเป็นคนขึ้นมาใหม่มันจะเป็นไปได้ยังไงมัทำอะตัวอ้างบอกว่าถ้าอัลลอฮ์สร้างครั้งที่หนึ่งได้พวกท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่าอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาครั้งที่หนึ่งตายไปแล้วอัลลอฮ์จะสร้างครั้งที่สองขึ้นมาเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเขามองพิจารณาถึงสิ่งที่เขาที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยพี่น้องครับ พวกเขาจะศรัทธาแต่ว่าพวกเขาไม่มองในอายะที่ย0สบอธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้พวกเขานั้นไม่ได้รับทางนำคือหนึ่งไม่ฟังสองไม่มองไม่ได้แปลว่าหูหนวกหรือตาบอดจริงๆแต่หมายถึงทัศนคติที่อยู่ในใจพูดก็พูดไปไม่ฟังสัญญาณหลักฐานมียังไงก็แล้วแต่ไม่มองไม่พิจารณานั่นคือความหมายของอายะที่ยี่สิบ ต่อมาครับในอายะห์ที่21อัลลอฮฺตรัสไว้ว่าอุลอิกัลลาดีนะข้อซิรูอันฟุซาหุมคนกลุ่มเมื่อกี้ที่เราให้ฟังไม่ฟังมัได้ยินจะถูกลงโทษไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วันอัชรอจะถูกยูดออาฟูลงโทษลงโทษเพื่อเป็นทวีคูณเนี่ยก็อ่านบอกว่าคนเหล่านั้นนนันทำไมเอ่ยข้อซิรูอันฟุซาหุม ทำให้ตัวของพวกเขาเองนั้นขาดทุนขาดทุนยังไงพี่น้องตอนนี้ต้นทุนที่ผมมีกับพี่น้องเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีเนี่ยต้นทุนที่มีคือหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตในดุญญนยาในพี่น้องต้นทุนมีเท่ากันใครจะเจ็ดิปีห้าสิบปีสามสิบปีกันแล้วแต่แต่ว่าต้นทุนที่มีคือหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตที่มีพี่น้องครับเราสามารถจะตัดดวงอะไรไปได้ในวันอาคือครับได้เยอะคือได้กําไร ไม่ได้เลยคือขาดทุนเพราะต้องทุนทีหนึ่งชีวิตเนี่ยพี่น้องไม่ได้แปลว่าเท่าทุนนะคนที่ไม่มีผลบุญเลยเนี่ยแปลว่าขาดทุนเพราะว่าใช้ต้นทุนหมดไปแล้วแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยถือว่าขาดทุนคนเหล่านี้ก็อ่านบาว่าขาดทุนแต่ก็อ่านใช้สำนวนน่าสนใจก็อ่านบอกว่าข้อสิรูอันฟูสาหุ้มขาดทุนนพี่น้องพวกเขาทาให้ตัวเองขาดทุนเอง ขาดทุนมีหลายแบบพี่น้องบางทีก็มาใช่ตัวเองทอดไกใไว้าเราจะไปขายฝนตกขาดทุนคนซื้อไม่ค่อยมาข้าวเตรียมจะหวานแล้วจะเกี่ยวอยู่แล้วเหลืองแล้วน้ําท่วมไม่ได้มาจากตัวเองเป็นสภาพพมมีอากาศอะไรกันแล้วแต่ควบที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่าพรมักกะทําให้ตัวเองขาดทุนไม่สามารถจะโทษใครได้เลยเพราะว่ากาบะ อยู่ที่มักกะด บ, บีมุมัดเป็นลูกหลานตัวเองแลว้วก็อ่านที่ส่งมาเนะี่ยพี่น้องเป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาที่พวกเขามีความเชีช่ยวชาญและก็เข้าใจกันดีแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ที่ใกล้ตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นำไปสู่ทางนำได้เลยที่ขาดทุนเนี่ยขอซิรูอันฟุสะฮุมทำตัวเองให้ขาดทุน โทษใครไม่ได้เลยพี่น้องแล้วก็บีบคั้นจนกระทั่งท่านอนบีอบพยพไปนครมัดีนาคนที่ได้กาไรพี่น้องกลายเป็นคนมัดีนามา ก, การณอบดับ น, นบีเกิดตรงนี้อยู่ตรงนี้ค้าขายตรงนี้คนรู้จักหมดทราบด้วยว่นานบีเป็นอัลอามีนคนคนนี้ไม่เคยโกหกเลยทราบประวัตินบีทุกอย่างถ้าเป็นคนต่างถิ่นมาพี่น้องเวลาที่พูดอะไรต้องเช็คประวัติเป็นคนยังไงทํำยังไงเชื่อเดี๋ยวไม่ แต่อบดมุฮัมมัดไม่ต้องมีใครเช็คใครก็ทราบว่านี่คืออันอามีนผู้ที่ไว้ใจได้ไม่เคยโกหกเขาทำให้สิ่งที่พวกเขามีในี่พี่น้องเขาเรียกว่าต้นทุนงสังคมเนี่พวกเขาขาดทุนเสียไปหมดเลยและสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์เป็นคนบัณ น, นิตก่อนศรัทธาก่อนแล้วก็มาพิชิตมักกาทีหลังโทษใครไม่ได้โทษตัวเองนอกจากนี้ครับอายะห์กูอ่านใน อ่ายะที่ยี่สิอ็ดอลลอฮฺตรัสไว้ว่าหัดอลล่ะอันหุ้มมาการูยักตาฮูนสิ่งที่พวกเขายักตาฮูนกุขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเนี่ยทำไมเอ่ยหัวดอลล่ะอันหุ้มมันก็จะหายไปจากพวกเขาดอลล่ะจริงๆปรว่าหลงดอลลีในหลงทางหลงทางแบบหลงทางทางเส้นทางจริงๆก็ได้หรือวัดหลงทางออกจากทางนําก็ได้ ก็อ่านมาว่าสิ่งที่พวกเขาสมมุติขึ้นมาทั้งหมดเลยความเชื่อที่พวกเขาถ่ายทอดกันมาเล่ากันมาเชื่อกันมาเนี่ยพอถึงวันวันหนึ่งแล้วดอนละอันพุ่มมันจะหายไปจากพวกเขาไม่สามารถที่จะเป็นเอาลิยะไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือได้ในไอคิระช่วยอะไรไม่ได้เลยเป็นวัตถุไม่ได้มีส่วนในการ คิดบาปมุนคุณโทษไม่ได้มีส่วนในการชฟาฟาอาไม่มีส่วนอะไรเลยในวันอาคิรอแล้วในดุนยาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ <c oughs> พระเจ้าที่ไหว้กันในบิโน้องจเจวีที่ไหว้กันเนี่ยวันนั้นอยู่ด้วยกันหมดเลยนะมะกะในกา บ, บ้านเนี่ยสามรอยหกสิวัวลูกพระเจ้าที่ไหว้กันเนี่ยที่ว่ามีอำนาจอำนาจอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วกระถมมุสิมนาควาทกันหมดช่วยอะไรเข้าไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ แล้วก็ช่วยให้ชามักกะรอดพ้นจากการพิชิตของมุสลิมก็ช่วยไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าพี่น้องครับดัลล์อันหุ่มหายไปหมดเหลือแต่อัลลอฮ์ที่ช่วยเหลือได้วันนี้เนี่ยถ้าเรากลับมาดูตัวเองพี่น้องครับสิ่งที่เราหวังว่าจะพึ่งพิงจะมอบหมายถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์นะพี่น้องวันหนึ่งหายไปหมดเลยหายไปหมดตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ รู้สึกว่าสุขภาพมีความเข้มแข็งแข็งแรงไม่น่าจะเป็นอะไรได้ไว้ใจในร่างกายของตัวเองดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมออกกํำลังกายแต่พอถึงวันหนึ่งพี่น้องพออายุสักหกสิบแล้วด้นละสุขภาพที่มีก็หายไปตอนหนุ่มๆ ม, มีพวกเยอะเป็นคนกว้างขวางไปไหนกินข้าวนี่ยไม่เคยเสียตังค์แยะเต็หมดถ้ามีเรื่องขึ้นมาโทรศัพท์กิ้งเดียวพวกมาหมดต่พอถึงวันหนึ่งด้นละอันหุ่ม ไอ้พวกพ้อบางทีกะตายไปมันก็มีลูกมีเมียถูกตำรวจจับไปบ้างเราก็แก่ลงสิ่งที่เป็นผู้ช่วยเหลืออุรยาที่เราเคยคิดว่าจะช่วยได้หายไปหมดตอนเด็กๆ เ, เ, เคยมีญาติเคยมีพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลช่วยเหลือกันในซอยเนี่ยถ้าใครมีปัญหากับฉันเนี่ยนะญาติมาลุมหมดพอถึงวันหนึ่งหายไปหมดญาติก็ตายไอ้คนที่เคยคุ้มหัวก็หายไป ฉะนั้นถ้าพี่น้องหวังว่าสิ่งอื่นจะช่วยเหลือพี่น้องได้นะถึงวันหนึ่งมันจะดอนหล่ะมันจะหายไปเหลืออย่างเดียวที่ช่วยเหลือพี่น้องได้ก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นในอิสลามเราถึงสอนว่าเวลาจะขอดุทิศประสบกับความยากลำบากพี่น้องให้ขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ให้เหมาบหมายต่ออัลลอฮ์พยายามกับพยายามนะครับแต่ว่าให้หมอะหมายต่ออัลลอฮ์เพราะสิ่งอื่นพอถึงวันหนึ่งแล้วมันจะหายไปไ เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับชาวมักกะสุดท้ายหายไปหมดเลยผวกพ้องที่มีอะไรที่มีเนี่ยสุดท้ายหายไปหมดช่วยเหลืออะไรวกเขาไม่ได้นี่คือในดุนยานะไม่ได้พูดถึงอาคิราออาคิรอกับตัวใครตัวมันกับปีน้องบัญชีแคบบัญชีมันไม่สนกันแล้วถึงกระทั่งว่าแก้ผ่ากันแล้วปีน้องในทุ่งม้ชัดผมกับปีน้องไปโผล ก, กันเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแหละถ้าวันนี้แก้ผ่าเนอามองกันว่า น, นั่นมันมีใครมองกันแล้ว ถ้งไอชาติถามท่านอะบีว่าเวลาถูกคุยคืนชีพขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าคนจะไม่มองกันหรอฉันมองเธอเธอมองฉันนะบีบอกเขาไม่มองกันแล้วห่วงตัวเองห่วงบัญชีที่จะมายื่นเนี่ยมันจะมามือขวามือซ้ายถ้ามามือขวาเนี่ยพี่น้องยังไม่ทันเปิดเลยสบายใจความดีเยอะถ้ามามือซ้ายยังไม่ทันเปิดทราบเหมือนกันว่สิ่งที่ประสบเป็นความไม่ดีเป็นบากระนั้นตัวใครตัวมัน นะครับไ ม, ไ, มไม่มีใครช่วยเหลือกันได้แม่ลูกกอะไรก็ไม่ช่วยกันได้นะฉะนั้นสิ่งที่เราจะยึดนะครับก็คืออัลลอฮฺเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ<ฤ>อียากันะบุดุอาอิยากันนะสตาอินเฉพาะพระ อ, องค์เท่านั้นที่ฉันทําการนะบุดุเราทําการสักการะพักดีสุอยูตอ่ต่ออัลลอฮฺอย่างเดียวเรามาตอ่ออัลลอฮฺอย่างเดียววะอียากันนะสตาอีนแล้วก็เวลาขอความช่วยเหลือไม่ช่วยไม่ขอคนอื่นขอตอ่ออัลลอฮฺเพราะสุดท้ายแล้วจะเหลือแค่อัลลอฮฺพี่น้อง ในอายะที่22ครับอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าลาจารมาอันนาหุมฟินอาคิรติฮุมุนอักษารูนเมื่อกี้พูดถึงดุนยานะหายไปหมดเลยเว่าแล้กอ่านพูดถึงอาคิร์ลาจารมาแปลว่าลาบุตดาแน่ๆเลยเนี่ยอันนาหุมฟินอาคิระพวกเขาเหล่านั้นวลาอยู่ในโลกอาคิระฮุมุนอักษารูนพวกเขาจะขาดทุนยิ่งกว่า มื่กี้พูดถึงดุญญาบอกว่าข้อสิรูอันฟุสะหุมขาดทุนขาดทุนธรรมดาแต่ว่าพูดถึงอาคิเราะใช้คําว่าอักสารูนขาดทุนยิ่งกว่าหรือว่าขาดทุนที่สุดความหมายต่างกันดุญญาเนี่ขาดทุนแล้วแต่อาคิเราะจะขาดทุนยิ่งกว่าดุญยาเวลาขาดทุนพี่น้องมันหมดแค่ตายเป็นนี่ไงกันแล้วแต่ หนีทวงหัวพอฆ่าตัวตายเจ้าหนีทาอะไรไม่ได้มันจบแค่ตายพี่น้องหมดแค่อายุไขัแหละแต่ว่าอาคิเราะปัญหาคือมันไม่ตายถ้าถูกลงโทษอลอสลงโทษแล้วตายนพี่น้องมันก็นจบแค่นั้นปัญหาคือมันไม่ตายไงพอโดนตายไปแล้วอลอสชุบมาใหม่ผิวหนังเวลาถูกลงโทษไปแล้วพังไปแล้วในความเจ็บปวดอลลอสก็ฟื้นฟูผิวหนังขึ้นมาใหม่แล้วก็มาเริ่มการลงโทษใหม่วนอยู่อย่างนั้นพี่น้อง ตลอดการก็อ่านจะคําอักซารูนขาดทุนยิ่งกว่านะครับผมกับพี่น้องก็ต้นทุนเท่ากันนะหนึ่งชีวิตเท่ากันเดนมากได้น้อยก็ย้อนลอดคิดกันนะครับในวันเกียรติมาหวังว่าผมกับพี่น้องไม่ขาดทุนนะเอ้าต่อมาครับในอายาที่ยี่สิาอัลลอฮฺตรัสไว้ว่ า, วาเมื่อกี้พูดถึงสิ่งไม่ดีหมดเลยคนดีไม่ดีคนที่ขาดทุนพอในอายาที่ยี่สิามอัลลอฮฺเปรียบตา่างเปรียบกับคนที่ดี อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลละดีนะอามานูคนที่ศรัทธาฮุอามิลุซอลิฮัสคนที่ทําดีศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ทําดีด้วยฮุอาคบาตูแล้วก็นอกน้องสามลนานะักษณะนะศรัทธาทําดีแล้วก็นอกน้อง วะอัคบะตูวะอัคบะตูอิลารอบบหิมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาคนเหล่านี้จะทำไมเอย่ยอุลาอิกะอัสฮาบุญยนนะเขาเหล่านั้นคือชาวสวรรค์พุ่มฟีฮาคอลีดูนพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลในนั้นก็คือในสวรรค์ตลอดกาลอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะได้รับการตอบแทนจากอลัลลอฮ์ในวันกียามา ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก็อ่านพูดถึงสามลักษณะคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เข้าแล้วอยู่ตลอดกาลเนี่พี่น้องพูดถึงสามลักษณะหนึ่งคือผู้ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่สามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้อันนี้เข้าใจกันดีไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่สามารถจะเอาคุณงามความดีที่ทำเน่พี่น้องไปเอาผลบุญจากอัลลอ์ได้เข้าใจกันดี ต่อมาหัวอามิลุศรีฮัดศรัทธาอย่างเดียวไม่พอพี่น้องถ้าพี่น้องบอกฉันเป็นมุสลิมศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําความดีเลยเนี่ยยังไม่เข้าสวรรค์ทําไมล่ะมันไปเกี่ยวอามลุศรีฮัดละมานก็ถือเป็นอามลุอรีฮัดศรัทธางเดียวไม่ละมานเลยโดนหนักเหมือนกันอาจจะได้เข้าสวรรค์เพราะมีลาอิลาฮิละลลัลแต่ว่าลอรลงโทษในวันเกียร์มักโดนเยอะ กูอ่านบอกว่าศรัทธาอย่างเดียวไม่พอพี่น้องเพวอามิรูปสอเลหัสแล้วก็ทําคุณงามความดีคําว่าซอเลหานี่เป็นพระหุน์หมายถึงคุณงามความดีต่างๆความดีไม่ได้มีแบบเดียวความดีมีหลายแบบพี่น้องบางทีก็เป็นความดีแบบทุกคนต้องทําเช่นละหมาดทุกคนต้องทําพี่น้องอาจจะนั่งไม่ได้ยืนละหมาด ย, ยืนไม่ได้นั่งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนต้องทํา แล้วก็ความดีบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดด้วยเช่นผมเนี่ยสอนหนังสือได้อ่าผมก็สอนแต่ว่าให้ ไ, ไปช่วยมัสยิดโวกูนแบบเนี่ยไม่เป็นนึกภาพออกไหมบางคนมีทรัพย์สินโดยจากได้แต่คนไม่มีโดยจากไม่ได้ซอลิฮัดความดีมีหลายแบบบางอย่างต้องทาเหมือนกันหมดรอมฎอนมาถึงปุ๊บถือสิทิ์อดเหมือนกันหมดจะจนจะรวยก็ต่างกัน แต่ว่าความดีอื Ancient ่นๆสตกรอแบบเนี้พี่น้องบางคนว่าไม่ได้เพราะไม่มีจะ จ, ะจะวว่ายสตกรอเยวาวตศกัดสตกรอจะให้ก็ไม่มีแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนไม่สามารถสอนได้บางคนสอนแบบเนี้สอนได้ผมเนี่ยสอนแบบนี้สอนได้ Later, บบ น, น, ไดนะแต่ไปสอน without without. ตัวอ่านสอนไม่ได้ฟสอหะลิงความชัดใน ม, มีสู่ครูสอนตัวอ่านแาวบ้านไม่ได้บางคนสอนตัวอ่านได้แต่ว่ามาตัปซิดแบบนี้ไม่ถนัดอ้าวความดีมันต่างกันฉะนั้น ในสังคมเนี่ยพี่น้องให้เป็นความดีให้ทําความดีมันเยอะเต็ไมไปหมดพี่น้องเดินออไปเนี่ยมีความดีแล้วไปหาเนี่ยไม้หลุดชงไม้ลุกชิ้นหยิบออกให้หมดฮะดิษมีบอกได้ความดีกําจัดภัยอันตรายออกจากทางเท้าเนี่ยพี่น้องได้ความดีความดีแบบง่ายๆให้สลามได้ความดีพี่น้องเจอกันให้สลามนี่แหละ ว, วนไปกินดูชิ้นกลับมาเจอมาเอาสลามอีกเดินไม่เข้าห้องน้ำเจอมาเอาสลามอีกได้บุญทุกครั้ง นะครับความดีง่ายๆนะแล้วก็พูดดีๆไม่นินทาอันนี้ก็เป็นความดีหมดเลยซอลิฮัต์ความดีมีเยอะไปหมดใครทำแบบไหนได้ก็ทำไปนะครับใครมีข้อจากัดทำไม่ได้ออาไปหาความดีอื่นซอ บ, บ้าก็ลมหาท่านนบีพี่น้องมีกรณีศึกษาแบบนี้น่าสนใจซอบ้ามาหาท่านนบีน้อยใจซอบ้ามันท่านน้อยใจเพราะว่าจนซอ บ, บ้าบอกว่าคนที่มีเงินเนี่ย เวลาฉันละหมาดไอ้คนมีตังก็ละหมาดได้เวลาฉันเขาเรียกว่ายังไงล่ะเวลาถึงสิ้นอดฉันถือสิ้ญอดได้ไอ้คนมีตังก็ถึงสิ้นอดได้แต่ว่าน้อย ใ, ใจเวลาจะให้ตังจะบริกจาคเนี่ยคนมีตังมันทําได้ฉันทําไม่ได้มหาอบีน้อย ใ, ใจเหมือนจะเสียเปรียบนบีให้ทางออกถ้าไม่มีตังให้ก่ารศึกษา s u b h a n a l อ a h อันทำดีละละอีละอีนั่นละัลลอฮอัลลอฮฺอักบะตนี่ก็เป็นความดีเป็นส่วนปรกอบเหมือนกันกล่าวได้หมดนะพี่น้องรอรถเมร์นะนะกล่าวได้ไม่ต้องดังมากนเนี่ยคนบางข้างจะตกใจนะครับออรก็อ่อนนานก็อ่านเช้าตื่นขึ้นมาเนี่พี่น้องนูจะทำรารดีห้านาทีอ่านก็อ่อนออานพี่น้องสามอายะห์ก็ได้ห้าอายะห์ก็ได้แต่ให้อ่านทุกวันบางคนหนึ่งยุสน่ยเก่งบางคนอ่านไม่ไหวทํางานไม่ทันสองอายะห์ก็ได้ ครึ่งหน้าก็ได้ให้อ่านแล้วกันแต่ว่าให้ทําทุกวันความดีมีเยอะแยะไปหมดพี่น้องซอบ้าแต่ก่อนก็คิดแบบนี้เหมือนกันเท mm hmm. ความดีบางอย่างเขาทาได้ฉันทําไม่ได้น้อยใจใหมหาอับดบีนบีให้ทางออกมันมีความดีแบบไม่ต้องใช้ตรงทุนพี่น้องทําได้แล้วก็ความดีที่มาตามโอกาสความดีบางอย่างเนี่ยอยู่เฉยๆทาไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสทําได้เช่นมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องมีคนป่วยก่อนเราถึงจะไปเยี่ยมได้ความดีแบบนี้ถ้าโอกาสมาพี่น้องอย่าปล่อยให้พน้นนะครับคนมาขอความช่วยเหลือซึ่งเราสามารถช่วยได้ถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือเราก็ไม่มีโอกาสช่วยความดีตามแต่โอกาสแบบนี้พี่น้องถ้าเข้ามาในชีวิตถ้าสามารถทําได้ให้กระทําผมกับพี่น้องไม่ทราบเราบอกวันกิยามัดเนี่ยบางทีความดีความชั่วมันเท่ากันเป๊ะแต่วันหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะความดี ความดีนอกสายตาเนี่พี่น้องคิดว่าได้บุญมาเยอะเราก็ไม่ทราบว่ากิยามัดน้ำหนักบนตาช่างมันจะขนาดไหนไอ้ที่ละมหมา ด, ด, าดาาาตดาักหนักเนี่ยพี่น้องบันที่ละหมาดเราใจลอยเคยเป็นไม่ละหมาดแล้วเนี่ยแล้วก็ละหมาดเสร็จคนมาถามว่าเมื่อกี้ที่ละมาดดูฮดสี่อกศจรเนี่ยอ่านซุรมอ้อไหนบ้างตอบไม่ได้ใจลอยมีไม่มีฉะนั้นละหมาดที่หนักหนักเนพี่น้องพอไปถึงวันเกิยามัดผลละบุญมันจะหนักขนาดไหนเราก็ไม่ทราบ มีการโอ้อวดไหมความปูชั่วมีไมมไม่ทราบเลยความดีเล็กน้อยอย่าไปดูถูกพี่น้องหมากับแมวทำไมคนเข้าสวรรค์ได้คนตกนรกได้พี่น้องก็เคยได้ยินนะคนเป็นโสเภดีปีนออกไปอเอาน้ำมาให้หมากินเลยพี่น้องเข้าสวรรค์เพราะหมามีตกนรกเพราะแมวขังแมวไว้แม่อาหารแมวตายมีเหมือนกันบาปกับบุญนละยพี่น้องดูถูกไม่ได้ใครจะว่ากระจกบริจาค20บาทใครว่ากระจอก ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาวุธในตาช่างมันจะหนักขนาดไหนเอาล้อเป็นคนตอบแทนนะครับอเมรุซอลิฮาความดีมีเยอะอย่าดูถูกเก็บให้หมดนะบางทีความดีเล็กๆ เ, เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเข้าสวรรค์และก็นสนับระการที่สามครับที่อัะยัตกตุอ่านอัะยานี่บอกไว้อันนี้น่าสนใจนะหัวอัคบะตูอิลารฟบิหิมนอบน้อมต่อพระเจ้าของพวกเขาศรัทธากันแลว้วความดีก็ทําเยอะ มาเสียตอนตะกับบสถ์ะพี่น้องจบเลยศรัทธาทำดีแต่ตะกับโบสอันนี้แย่มนกันเพราะว่าใครและตะกับบสอาบาวัสตักบรออิบลิสตะกับบสอิบลิสมัตะกอไม่กระจอกนะเป็นบาวฮอลล์เหมือนกันนะที่มันเสียเลยเนี่ยเสียหายเยอะเนี่ยเพราะว่าอาบาวัสตักบารอฟาฝืนแล้วก็ตะกับบสฉะนั้น ผู้ศรัทธาธผู้ที่ทำความดีผมกับพี่น้องอีชอลล์ศรัทธาธแล้วก็ทําความดีที่ต้องเตือนตัวเองคือว่าหัวอักษรตูอิลอรบบีหิมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจา้าต้องเตือนเตือนตัวเองด้วยเตือนผมเตือนพี่น้องด้วยวันนี้บางทีเราตวาด้วยแต่บางครั้งความสําเร็จในชีวิตมันทําให้เราพยองตอนนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้นะพี่น้องจนจนเนี่ยเป็นอย่างนี้นอบน้อมดีแหละ ว, วันไหนมีตังค์ขึ้นมาใครจะทราบจะเป็นยังไง นะครับตอนนี้ผมเป็นแบบนี้ว่าหนึ่งเรียนจบขึ้นมาตะกับโบสถขึ้นมาใครจะทราบต้องรักษาความตวัดด้วอไว้พี่น้องนอกน้อมของตนต่ตอหรประการนี้สําคัญเพราะว่าคนที่ตะกับโบสถ์นะพี่น้องจบไม่ดีสักคนฟิราอุนตะกับโบสถ์อิบลิสตะกับโบสถ์ตัวใหญ่ๆนั้นเลยที่ตะกับโบสถ์หัวอัคบาตูอิดารับบิหิมลักษณะที่สามเตือนตัวเองให้ดีพี่น้องนะครับ ในอ้ายานนี้อลัลลอฮฺปิดท้ายว่าอุเลยกัสฮาบุญญันนะที่พูดมาสามแบบนะใครมีสามลักษณะ น, นี้นะอลัลลอฮฺพูดนะมาจากผมพูดอลัลลอฮฺบอกคนที่มีลักษณะสามประการนี้พวกเขาเหล่านั้นคืออัสฮาบุญญันนะคือชาวสวรรค์ชาวสวรวสวรค์แล้วยังไงพุ่งฟีฮาคอล์ดูนชาวสวรรค์วันละเข้าไปแล้วไปน่องเข้าแล้วไม่ออกอยู่ตลอดการความสุขที่มีอยู่ตลอดการ หวังว่าผมกับพี่น้องไปเจอกันตรงนั้นแล้วกันอิชาร์ลอะนะครับแล้วก็ท้ายในอายะนะครับในวันนี้อายะสุดท้ายอายะที่ยี่สิอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่ามาซาลุนฟารีกอยนีเปรียบเทียบคนสองกลุ่มนะคนที่ไม่ศรัทธามะกี้เนี่ยและคนที่ศรัทธาที่ว่าอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลทีน่น่อบน้องที่ทําความดีเนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่ามาซาลุนฟารีกอยนี่ สกลุ่มที่ว่าเนี่ยกันอามาวอซมมวันบาซิรวัสเมียเปรียบเทียบเป็นสองคู่อามาแปลว่าตาบอดตาบอวอซมมแปลว่าอะไรละ่ะหูหนวกนะครับวันบาซิรเปรียบเทียบกับคนที่ตาดีวัสเมียแล้วก็คนหูดี สองกลุ่มนี้เปรียบเทียบกันย่ายๆนะแล้วกูอ่านก็บอกว่าทัานยัสตาวิยานี่มันจะเท่ากันไหมมาซาเลนสองสิ่งนี้จะเท่ากันไหมอาฟาลาตัดการูนพวกท่านไม่ได้พิจารณาหรอกหรือตาบอดกับตาดีมันยังไงกันพี่น้องอะมาวันบอดซีดเปรียบเป็นยังไงมีตาเหมือนกันตอนนี้คนที่พิการก็ก็มีนะครับแต่หมายถึงว่าในกูอ่านพูดมันไมหมายมาถึงตาบอดจริงๆ ตาทีมีเหมือนกันนี่พี่น้องพวกมักกะก็เห็นคนมดีนาก็เห็ น, น, ห น, หนแต่ว่าทำไมพวกมักกะปฏิเสธมดีนาศรัทธาอาน่าสนใจว่าซอมอมี่หูที่ได้ยินเนี่ยนบีพูดนีนะยังไม่มีเสียงตามสายพอเวลานาบีพูดคนมักกะได้ยินก่อนแต่ไม่ฟังคนมดีนาอยู่ทังนู้นพี่น้อง สร้อยสามสิบโลเบาจำไม่ได้เดินทางมาฟังฟังปุ๊บศรัทธาปับ๊บกลับไปบอกคนที่มาดีนาคนที่มาดีนาศรัทธาอีกก็อ่านเปรียบเทียบว่าคนสองกลุ่มนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันชัดๆก็คือเหมือนคนตาดีคนตาบอดคนหูดีกับคนหูหนวกเพราะว่าทางนําที่มีเนี่ยพี่น้องมันไปไม่ถึงพวกเขาเห็นก็เหมือนจะไม่เห็นนั่นแหละได้ยินก็เหมือนจะไม่ได้ยินเปรียบเทียบให้เข้าใจ เวลาคนที่ทําไมคนนี้เป็นคนดีได้รับทางนําทําไมคนนี้กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องเหมือนกับคนตาบอดคนตาดีเหมือนกับคนหูหนวกกับคนหูดีไม่ใช่หูจริงๆไม่ใช่ตาจริงๆแต่สิ่งที่มันกั้นอยู่ในใจเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่ได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินเห็นก็เหมือนไม่เห็นหลังจากที่กูอ่านเปรียบเทียบแล้วให้เห็นชัดๆแล้วนะกูอ่านก็ถามว่าฮั่นยัสตาวิยานิมาซาลัน มันเท่ากันไหมมันเท่ากันไหมคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคำถามแบบไม่ได้ถามจริงๆว่าไม่ทราบว่าเท่ากันหรือเปล่าเราไปถามไม่ใช่ถามเพื่อให้คิดตาดีกับตาบอดจะเท่ากันได้ยังไงหูดีกับหูหนวกมันจะเท่ากันได้ยังไง เท่ากันได้ยังไงดีผมพูดเนี่ยไม่ได้ถามว่ามันเท่ากันจริงจรใช่ไหมถามเพื่อให้คิดฮันยัสตาวิยานิมาซาลันมันจะเท่ากันได้ยังไงอาฟาลาตัดการูนพวกท่านไม่ได้คิดหรือจริงๆไม่ต้องคิดเยอะกระดายตาดีตาบอดเห็นชัดหูดีหูหนวกเห็นชัดแต่ก็อ่านให้คิดให้พิจารณาว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงฉะนั้นพอถึงวันกิ亚马แล้วพี่น้องเวลาถึงการลงโทษแล้วคนกลุ่มนี้ทําไมถูกลงโทษล่ะ คำตอบคืออายาที่21ข้อสิรูอันฟุสะหุมไม่มีใครทำพวกเขาพวกเข า, เขาทำให้ตัวเองขาดทุนใช้ต้นทุนหนึ่งชีวิตใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ได้ภักผลอะไรเลยเท่ากันไหมไม่เท่าแล้วทำไมคนกลุ่มนั้นถึงเข้าสวารรค์ละ่ะจะไม่เข้าสวารรค์ได้ยังไงละ่ะอินนั่นลาดีนอามานูสัตธามันก็สัตธาหัวอามิลุซอริฮาตความดีต่างๆเก็บหมดเลยเท่านั้นไม่พอ ว่าอัคบาตูอิลอยพับบีหิมล้ก็นอบน้อมต่อลอมันถึงเข้าสวรรค์ไงแล้วก็ฮันยัสตเวียในมาสัลันแล้วมันจะเท่ากันได้ยังไงตอนอยู่ในดุรยามันไม่เท่ากันเวลาถึงอาคิระอนแล้วการตอบแทนเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันแล้วกายทําตัวเองนะทําตัวเองขน้นเลยพี่น้องข้อซโรอันฟุสหุ่ที่ขาดทุนก็ทําตัวเองขาดทุนนะครับในช่วงท้ายของเวลานะครับผมทวนวันนี้ห้าอายะก็อ่านพูดได้ฟังว่า พูดที่ขาดทุนน่พี่น้องทำไมถึงขาดทุนแล้วก็ผลของการขาดทุนเน่ะโดนอะไรบ้างในอายะที่ยี่สิบพูดถึงผลที่จะโดนในดุนยาพี่น้องดุนยาก่อนนะคนเหล่านี้ลมยากูนูมุยิซีนะฟินอัคดีไม่รอดผลการลงโทษของเหรในแผ่นดินนี้ถ้าเราจะเอาไม่พน้นถ้าไม่เชื่อเอ้ากลับไปดูปรติศาสตร์ตัวพี่น้องตอนนี้คิดว่าแน่ขนาดไหน ผมพ น, นันได้เลยว่าสิ่งที่พี่น้องมีเนี่ยน้อยกว่าเฟรราเอาจะซับสินจะพักพวกยังไงกับ น, น้อยเฟรร่าเอาความเข้มแข็งร่างกายยังไงกับ น, น้อยกับโสดรบ้านที่พี่น้องมีผมพ น, นันเลยเลยจริงๆไม่น่าพูดบอกพ น, นันได้บาปอันนี้เปสำนวนมาอับด้วยผมกล้าท้าเลยว่าบ้านที่พี่น้องมีแข็งแรงสู้บ้านพวกอาร์ตไม่ได้สู้ไม่ได้แต่พวกนั้นโดนมาหมดแลว้วเราโดนไหมเราก็โดนถ้าอเลอจะเอานะครับ ถอนคำพูดและกันกบับว่าพนันนะไม่เหมาะสมแล้วก็คนเหล่านี้ทําไมเอ่ยนอจะอัลลอฮ์มินดุนิเลยอัลเลียะไม่มีที่พึ่งอื่นพอถึงเวลาจริงๆดอลละอันหุ้มหายไปหมดแหละไอติว่าจะมาพึ่งได้ถึงเวลาจริงหายไปหมดลูกพี่ที่เคยคุ้มหัวหน่ยพี่น้องถึงเวลาจริงตายไปก่อนแล้วตวบบดเก็บไปแล้วไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ดุจยาโดนแบบนี้อาคิรอะครับอยู่ดออฟุลฮุมุนอาดาบ การลงโทษมันจะทวีคูณสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนั้นหนึ่งมายสติอูนสัสมาไม่ได้ยินหูดีแต่ฟังแล้วมันไปไม่ถึงใจมีอะไรมากั้นไว้ปวามาการนูยุบเซรูนทำไมเอ่ยตาไม่เห็นไม่ได้หมายว่าตาบอดแต่มองแล้วไม่พิจารณานี่คืออายะที่2ี่ความหมายดีนะครับในอายะที่2ี่ กูอ่านบอกว่าที่เป็นแบบนี้ข้อเิรูอันฟุสาหุมทำตัวเองให้ขาดทุนไม่ใช่ใครมาทำนะทาตัวเองให้ขาดทุนว่าดอลอันหุมมาการูยัฟตารูนไอสิ่งที่คิดว่าจะเป็นที่พึ่งที่ช่วยเหลือสักวันหนึ่งหายไปหมดในอายัที่2บครับพูดถึงวันอาคิรอดุนยามากี้ขาดทุนแต่อาคิร์ททำไมเอย่ยฮูมุนอักซารูนขาดทุนยิ่งกว่าอ้าว ดุจยาวขาดทุนเจงแล้วเนี่ยอาคิดาขาดทุนยิ่งกว่าก็อ่านเปรียบต่างกับคนที่เป็นคนดีเนะี่ยพี่น้องมีสามลักษณ ะ, ะสามลักษณะนี้นะครับอินนั่นรดีนะอามานูศัทธาผมกับพี่น้องศรัทธาแล้วมีกระลิมอกันแล้ววะมีลุอริฮาตตอนนี้ความดีกําลังเก็บอยู่เรามาดอนกับเก็บชาววานเก็บคร บ, บยงังความดีอื่นเก็บยังตาคนต่างเก็บนะครับไม่ต้องบอกกันตรวจสอบตัวเอง แล้วก็ลักษณะที่สามอันนี้ระวังให้ดีหัวอัคบะตูอิลารับิหิมนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อันอื่นผมไม่เคยกลัวผมกลัวตรงนี้แหละเพราะคนมันจะตะกรับรถกันได้นะผมก็กลัวว่าแก่ไปโตไปได้ดิดได้ดีจะตะกรับรถต้องพูดเตือนตัวเองบ่อยๆคนเหล่านี้ถ้ามีสามลักษณะนี้อัชฮาบุญญนะเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ธรรมดานะฮุมฟีฮาคอริดูลเข้าไปแล้วอยู่ตลอดเข้าไม่ออกแล้วก็อายาที่ยี่สิี่อัลลอฮ์ สรุ ป, ประเด็นถามว่ามัสรุนฟารีกอยนี่ไอสองกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยที่เราให้ฟังกลุ่มที่ขาดทุนกับกลุ่มที่เข้าสวรรค์ตลอดกาลเนี่ยมันจะเท่ากันไหมยังไงก็ไม่เท่าเหมือนคนตาดีคนตาบอดเหมือนคนหูดีคนหูหนวกอัฟลาตะดักคารูลถ้าเราพิจารณาเราจะเท่ากันเราจะเข้าใจนะครับว่ายังไงมันก็ไม่เท่ากันการงานที่ไม่เท่ากันนําไปสู่ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันในวันเกียร์มาก ขอดุอานะครับผมกับพี่น้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มซึ่งทำไมเอ่ยไม่ขาดทุนนะบุบิลลาฮิตตฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวูบะราักาตุ